ก็ไปวิเคราะหนะ์นความหลากหลายก็เรียกว่าความแตกต่างแห่งสัญญาเพราะว่าธาตุขาะคือรูปธาตุมันแตกต่างเมื่อรูปธาตุแตกต่างเลยนะสัญญาพวกนี้มันจึงแตกต่างกันไปท่านในทางธรรมะจึงไม่ไม่ค่อยไปให้ไปสนใจในแง่ว่าสัญญานู่นมันอยังงั้นเพียงแต่ให้เห็นว่าสัญญาเหล่านี้มันเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นตัจใจมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะ คือการกระจายธรรมะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคกระจายเพื่อความไม่ยึดมั่นด้วยตัณหาและด้วยทิฏฐิอันนั้นนี่คือคือสาระสําคัญของของคําสอ น, น, นเพราะว่าต้องรู้ว่าที่เราศึกษาธรรมะนี่ทําไมเราต้องศึกษาแล้วก็มีนะถ้าอย่างเช่นในสาโรปรมสูตรก็บอกว่าเราทั้งหลายมีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วที่มาศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าทำชะไหนก็การธรรมที่สุดแห่ง แห่งแห่งกองทุกข์จะเพรงปรากฏชัดแก่เราได้เพราะฉนั้นวัตถุประสงค์ที่ท่าองศ์สอนทั้งหมดเพื่อความดับทุกข์เราทั้งหลายมาศึกษาพระธรรมก็เพื่อความดับทุกข์แต่ถ้าเราศึกษาเพื่ออันอื่นนะเมื่อไหร่ถ้าไม่ไม่ตั้งจิตไว้แบบนี้นะเชื่อไหมเป็นอลัลลัคทัตถูประมาปริยัตทันทีเช่นว่าถ้าเราเรียนเอาไว้รู้ว่าเออเราเนี่ยเป็นรู้ธรรมะเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครต่อไปห้ามมาดูหมิน่นชั้นเด็ดขาด ก็เรียนเพื่ออะไรเพื่อกันความดูหมินเป็นต้นน่ยนะหรือเพื่อส่งเสริมไอ้ mana ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะ่ะประเภทนี้แหละจับอสารพิษที่หางมันก็ตะบบกัดทันทีการศึกษาพระธรรมเขาก็ไม่สําเร็จประโยชน์แต่ถ้าเราตั้งใจเอาไว้ดีในการมาศึกษาพระธรรมเนี่ยจักสําเร็จประโยชน์เป็นอย่างสูงเนี่ยนะเพราะว่าบาปอากุศลก็จะลดลงคนที่วิเคราะห์สัญญาได้เก่งเนี่ยนะกุศลสัญญาเขาจะมากขึ้น ใช่ไหมสัญญาเนี่ยถ้ามองในแง่กุศลสัญญาอกุศลสัญญาเนี่ยก็จะแบ่งว่าควรเจริญกับไม่ควรเจริญไงการมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาไม่ควรเจริญพวกเนคขมะสัญญาอัพยาปาธาสัญญาอวิหิงสาสัญญาควรเจริญอีกในหนึ่งสัญญาเหล่านี้เป็นเหตุใกล้ของอะไรเป็นใกล้ของสตินะ เนคขมมะสัญญาอพยาบาทสัญญาอาวิหิงสาสัญญาเป็นเหตุไต้ของของสติถ้าใครจเจริญเนคขมมะสัญญาจนบริบูรณ์นี้จะได้อะไรเพราะกลุ่มโลกของเนคขมมะสัญญายังขยายออกไปอีกขยายเป็นศีลเป็นสมถะเป็นวิปัสนาเนี่ยนะ ถ้าเป็นอัพยาบาทกับอวิหิงสาก็ขยายเป็นพรหมวิหารจะต่อด้วยพรหมิหารเรียกว่าเจริญกุศลสัญญาเนี่ยนะถ้าเป็นศีลก็สรุปโดยรวมๆก็คือจะตกปาริสุทธิศีลถ้าอะไรนะเน่คำมั่สัญญาไม่ดีเนี่ยคิดหรือว่าจะรักษาศีลได้ดียากเนี่ยนะเพราะนักุศลสัญญาเนี่ยจะต้องสูงมากเพียงจักรรักษาศีลได้ดีเพราะ กุศล ส, สัญญาประเภทจําได้ในเรื่องศีลเป็นเหตุใกล้ของสติที่เป็นไปกับกับศีลถ้าเป็นสมถะนะกลุ่มเนคขา ม, มาสัญญานี้เป็นสมถะกลุ่มไหนสมถะกลุ่มอสุภะหรือกลุ่มกรรมฐานอื่นๆเช่นอาหารเรปฏิกูลสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเป็นกลุ่มอสุภะกลุ่มอาหารเรปฏิกูลสัญญาถ้าเป็นวิปัสสนาก็คือการเบื้องพื้นฐานในการเอาไปทํา ปริญญาสัญญาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ให้ทิ้งโดยประการทั้งปวงแต่พระองค์ให้จำที่เป็นกุศลสัญญาเพราะสัญญานี่เป็นอัญญสมนาเจตสิกใช่ไหมเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตโดยประการโดยจิตทุกดวงต้องมีสัญญาแต่ถ้ากล่าวตามนี้สัญญาเหล่านี้ควรควรเจริญเนี่ยนะทีนี้ตัวสัญญาเหล่านี้เนี่ยนะพระองค์ตรัสว่า อัตถกาถาที่บายว่าเป็นได้ทั้งอุปจาระและอัปปนาอันุภาพของสัญญาเนี่ยนะเป็นได้ทั้งอุปจาระและอัปปนาเพราะโดยเฉพาะเนคขมมะสัญญาตัวนี้กูสนชั้นสูงเนี่ยนะยกให้สัญญาเป็นเป็นหลัก เ, เช่นชั้นสูงเลยนะสูงสุดเลยคือเนวะสัญญานาสัญญาในยังหนึ่งอะไรเนะ่ กลุ่มอนิจจสัญญาเป็นต้นก็อยู่ในวิปัสสนาถ้าเป็นวิปัสสนาก็พวกอนิจจสัญญาทุกขสัญญานะอนิจจสัญญาอนิจเจทุกขสัญญาทุกเขานัตตสัญญานิโรธาสัญญาวิราฆาสัญญาปหานะสัญญาเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยแต่สัญญาตัวนั้นเป็นสัญญาที่สัมปยุตกับปัญญาันถ้าปฏิเสธสัญญาไปหมดนี่ก็เสียหายเหมือนกันใช่ไหม นี่มันจํามานกแก้วนกขุนทองไม่รู้ว่าพูดทําอะไรอุตสาไปจํามาพอหมดสกัดจดทีเดียวร่วงหมดเลยอยอมที่เล่าว่าอุตสาพิจารณาเรื่องกรรมตั้งหลายชั่วโมงบอกว่านี่มันแต่งนิยาอย่างนั้นเสียหายหมดเลยอันนี้สัญญานะมาดูเจตนาโลกของเจตนาเป็นยังไงโลกของเจตนาเช่นรู ป, ปรสรรเจตนาเป็นต้นอะรูปสรรเจตนา รูปสันเจตนาเนี่ยแบ่งออกเป็นกายสันเจตนาวาจีสันเจตนาอะไรอีกมโ น, โนสันเจตนานะรูปปสสันเจตนากายสันเจตนาเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบคืออะไรอกุศลสิบสองมหากุศลแปดอแบบของเราๆนะ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกวจีสันเจตนายี่สิบมโนสันเจตนาปกติเนี่ยคาว่ามโนสันเจตนามียี่สิบเก้าแต่ถ้ามีสีเป็นอารมณ์นี่ได้เท่าไหร่ไม่ครบยีิบเก้าเพราะว่าฌานทั้งหลายมีอภิญญาเท่านั้นแหละที่มีสีเป็นอารมณ์โดยทั่วๆไปฌานมีบรรัญญัติเป็นอารมณ์นะถ้ารูปฌานนะถ้ารูปฌานเป็นเน้นเป็นธรรมสันเจตนาแต่ว่ารวมๆก็เอาจำว่ายี่สิบง่ายๆดี ว, ว่าพวกฌานทั้งหลายเอาไว้ก่อนเนาะนั่นพูดได้ฌานก็ยกเอาไว้เลยนะโอ้ยใครได้ฌานนี่จะยกมือไหว้เลยแหละเนี่ยนะเพราะเขาลดอักขุศลได้หม้อรังกายสันเจตนาวาจีสันเจตนาโดยที่เรียกว่ารูปประสันเจตนาในโลกของรูปเนี่ยเห็น ไ, ไหมสีขาวสีเขียวสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงเป็นต้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งเจตนาเหล่านี้หมด เพราะเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับสีเป็นกายสังเจตนาเนี่ยเป็นประกอบเป็นอาชีพเลยอ่ะเนเนื่องจากเขามีรูปประสันเจตนาในสิ่งนั้นมากเรียกว่าเขาประกอบอาชีพเรื่องนั้นเช่นถ้าเกี่ยวข้องกับผ้าสีขาวๆมากๆเนี่ยนะเขาทำอะไรก็ประกอบอาชีพเกี่ยว้กับผ้านั่นแหละถ้าพูดถึงสิ่งสีชนิดนั้นมากๆคนนั้นประกอบอาชีพในในสิ่งนั้นเน่นะ เพราะมันกายกับวาจาเนั่ยแหละคืออาชีพทำขนมถาวขนมอะไรขนมจี น, นเนี้ยนี่ก็ขนมลหลายๆอย่างก็ต้องสีขาวหน่อยนะคือบางอย่างต้องต้องสีสีแบบนั้นนีก็พพวกพวกอาชีพทั้งหลายก็ประกอบที่อะไรบางอาชีพเน้นสีเป็นหลักบางอาชีพเน้นเสียงเป็นหลักเพราะก็ประกอบอาชีพคือกายกรรมกับวจีกรรม บางคนนะในในสีสีเดียวนะบางคนเนี่ยทำอาชีพแบบว่าจีคือเป็นหัวหน้าสั่งอย่างเดียวเป็นเจ้าของในสั่งอย่างเดียวใช่ไหยถ้าเป็นลูกน้องก็ทำอย่างเดียวห้ามพูดมากไหนให้ทำมากๆอย่าพูดมากถ้าหัวหน้าพูดมากๆอย่าขี้เกียจพูดอย่างเงี้ยมันก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะทำสิ่งเดียวเนี่ยแล้วแต่บางคนก็พูดมากบางคนก็ทำมากก็โดยที่มีสีเป็นอารมณ์ ในโลกนี้นะเคยถามว่าตรงไหนบางที่คนไม่อาศัยสิ่งนั้นประกอบอาชีพนี้ไหมลืมตามองดูเนี่ยไม่อาศัยสิ่งนั้นประกอบเป็นอาชีพเลยเนะมีไหมใครหาเจอบ้างเกี่ยวกับนาฬิกาคนประกอบอาชีพนาฬิกามีไหมนี่ผ้านี่สีในหมดที่เราเห็นเนเนี่ยนะเป็นอาชีพของแต่ละอาชีพหมดเลยสแสดงว่าแต่ละแห่งเนี่ยเป็นที่ทํากรรมของสัตว์ขนาดไหนท่า น, นถ้าวิเคราะห์ลักษณะ น, นี้จะเห็นเรื่องอายตนะเยอะนั่นะง มันเป็นที่ตั้งแห่งอะไรนะมันเป็นรูปายตระหนัสนะจิตเจตสิกไปประชุมตรงนั้นเนี่ยมากจริงๆเป็นที่ประชุมแห่งจิตเจตสิกนะเนี่ย ก, กว่าจะเป็นดอกไม้เนี่ยถามว่าจิตเจตสิกไปประชุมกันเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะเป็นดอกไม้อ ย, อย่างนี้ขึ้นมาอันนี้เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้นะเกี่ยวกับเรื่องท่ายเรื่องหนึ่งเรื่องท่ายเรื่องหนึ่งเรื่องออกแบบบ้านก็อีกพราแต่และเรื่องเนี่ยแต่ว่ารวมๆสีนะแต่ว่าในโลกของสีนี่มีอะไรเต็มไปหมด คนที่ดูอากาศอย่างเดียวเป็นอาชีพมีไหมมีสรุปตรงไหนมันไม่ประกอบอาชีพนะแต่ว่ารวมๆก็คือกายกรรมกับวจีกรรมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเจตนานะแล้วก็เจตนานี่มันมีหกอารมณ์ใช่ไหมไม่ได้เจตนามีอารมณ์เดียวนี้ยกตัวอย่างรูปประสันเจตนาอย่างเดียวถ้าโลกของสัตว์ท่าสันเจตนานะพวกเคาะให้มันเป็นเสียงนะหาเครื่องไม้เครื่องมือเคาะให้มาเป็นเสียงนะเพื่อประกอบอาชีพนั้นเรื่องใหญ่ยอยีกเรื่องหนึ่งเลย เรื่องอาชีพแต่งกลิ่นนั่นแม่ครัวทั้งหลายเนี่ยบางบางอย่างเนี่ยถ้าไม่มีกลิ่นเนี่ยเดือดร้อนเลยนะหรือกลิ่นมันเกิดไหมขึ้นมาหรือตู่ตู่ขึ้นมาเดือดร้อนอีกก็เกี่ยวกับโลกของกลิ่นนี่ก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งยิ่งโลกของรถด้วยนะะวจีสันเจตนาเพื่อประกอบให้มีรถนะโอ้สมัยนี้เนี่ยเป็นสมัยยุคแต่งเรื่องอาหารจริงๆแล้เรื่องอาหารก็เรื่องใหญ่มากเรื่องรสารมณ์เรื่องโพธพารลมก็เรื่องใหญ่เรื่องธรรมารมีก็เรื่องใหญ่เกี่ยวกับเจตนานะ นั้นโลกของเจตนาจริงๆเนี่ยโอ้หทำปริญญากันโอ้เยอะแยะไปหมดเลยั้นเอาพอสังเกตก็พอนะของเราโลกตันหานี่ก็พิสดารตันหาเนี่นะสมว่ารูปประตันหาเรายกตัวอย่างว่ารูปประตันหารูปประตันหาแบ่งประเภทกามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาเนี่ยนะ การมัตตัญหาเนี่ยชอบสีอย่างเดียวสีในที oux, ่นี้หมายถึงสีที่ให้ความสำคัญพิเศษก็คือสีของคนของของสัทถ้าเป็นพวกกามัตัญหาเนี่ยก็คือชอบสีแบบเดียวคือให้ความสำคัญกับสีเป็นพิเศษเนี่ยนะให้ความสำคัญกับสีติดใจในเรื่องสีอย่างเดียวงามเขาว่าอย่างอื่นไม่คิดอันนี้เรียกว่าเป็นการมัสนกามตัญหาถ้าเป็นภวะัญหานีมันจะคิดว่าภวะัญหาพวกนี้เนี่ย เขาจะมีรูปสีอันนี้ไม่ใช่ของเขาแท้ๆหรอกเขาจะมีสีข้างในที่เป็นกายทิพย์อยู่ข้างในเขาเนี่ยเขาตายกายทิพย์อันนี้มันจะออกไปสีอันนั้นเนี่ยเขาถือคือเคยเห็นนะมีรูปรูปหนึ่งคนเนี่ยนะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งมันแทรกอยู่ข้างในอ่าคนครับเขาก็าถือว่าอะไรนะข้างนอกผิวไม่ดีไอข้างในนี่มันทองว่ากันว่ากันกายทิพย์มันเป็นทองมันสิงอยู่ข้างใน พอกายอันนี้แตกทำลายกายที่พันงเขาจะออกไปอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาจะคิดมาก็เป็นที่มาของเป็นพวกภวะตัญหา